ตอนนี้ไปก็เริ่มคุยกันในะเรื่องกรรมฐานเอาแบบคุยกันดีกว่าเล่มจะออกมาเอ่อแบบคุยกันนะเพราะว่ากรรมฐานจริงๆที่ญาติโยมบริษัททำนี่ถ้าไปหวังจะเพาะเวลาสงัดเราจึงทำสมาธิ อาการแบบนั้นแ ป, ปลก า, การขอ ง, ง ก, าาาการฝึกใหม่ไม่ใช่การคอนผู้ทรงกรรมฐานจริงดการฝึกใหม่หมายความถึงเวลาสงับก็นั่งหนาบะบ้งางเท่าที่สงับบังเง่ยบเงียบรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกรู้คํารนณารู้พิจารณาอย่างนั้นรี่แปลการฝึกคือฝึกการทรงตัวในได้กุศล ให้จิตคิดว่าสิ่งนี้เป็นบุลศอย่างก็ภาวนาว่าพุทธโธก็ดี <c oughs> สมาริังก็ตามอย่างนี้เป็นพุทธานุสติให้ถือว่าเวลานี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการฝึกเถ้าทำกันจริงๆมีกรรมฐานที่คุ้มครองได้จริงจะ ต, ต้องไม่เฉพาะเวลาฝึก คือเวลาเราฝึกการทรงตัวนะก็ต้องการให้ยามปกติมีความรู้สึกตามนั้นก็นั่นก็หมายความว่าขณะที่ฝึกการทรงตัวจิตเป็นอุสนยามปกติที่เราไม่จ้่งหลับตาแบบนั้นนั่งคุยกันอยู่ก็ตามทำงานก็ตามถ้าคุยเรื่องอะไรก็คุยกันไปตามเรื่องจิตก็ตั้งอยู่ในเรื่องที่เราจะคุยอะไรที่ไม่ขอธรรมาดาเวลาทํางานจิตก็ต้องนชิ้น ง, งาน เวลาว่างจากการคุยเราเวลาว่างจากงานจิตน้อไมไปได้กุญส่วนเคยจิตหายเพลิกคิดว่าเราเคยทำทานให้ทานไว้เคยให้ภานจะสัตว์บ้างให้ทานกับคนบ้างไว้ทานกับประสงค์บ้างนึกถึงทานของการบุญส่ก็ดีนึกถึงเราเคยใส่บาตรเคยฟังเทศเคยบูชาพระเคยเจริญภาวนาก็ตาม ไอ้น้อมถึงกูจิตน้อมนั่งกู้สนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จิตน้อมนั่งผูสนนี่ให้มันรอดเพ้นในกุศลคาว่าจิตน้อมนั่งผู้สนนี่ความมั่นใจตั้งใจจริงวันหนึ่งสักสองสามนาทีก็ถือว่าใช่ได้จิตจะไมีอารมณ์ชินเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมาย เราจะไปคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในขถานที่เราจเจริอกรรมฐานอันนี้มันไม่ได้ <c oughs> มันบอกกันแน่นอนไม่ได้ให้อจิตมีการทรงตัวอย่างกับถ้ามีอารมณ์สูงหน่อยเข้าในเขตวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณตามแบบอย่างอ่อนก็คืออนิจังทุกขงาาังอนัตตาอันนี้ว่ากับตามแบบ กาวิพัฒนายาอย่างสงอย่างเข้มจริงๆก็ได้เริยสัต์ขึ้นต้นในทุกเริยสัตว์ที่จริงๆเราใช้ตัวเดียวก็พอไทยทุกแต่ความจริงการจะเ ร, รียวิปัฒนายาได้เริยสัตว์ง่ายนะงายไม่ใช่โรงลืมง่ายการจริงเอมันจะนจะไม่เหมือนกันเอกม่ะฉันว่ามันง่ายนะ การเราเลียสัตว์ไม่ต้องไปนั่งเกล่วไม่ต้องไปนั่งหลับตาให้จิตมันชิงอารมณ์ถ้าจิตมียามว่างหายเปลี่ยนเห็นคนเดินไปเดินมาก็คิดว่าคนที่เดินไปเดินมาทุกคนเนี่ยเดินด้วยเพราะความทุกข์ใช่ไหยถ้าไม่มีทุกข์เขาไม่เดินถ้าเดินไปไหนเดินไปซื้อของก็กของพวกมันหิวใช่ไหย เพราอยู่ในอาหารต้องการอาหารจริงไปซื้อของมาพยักทานหรือว่าถ้าเดินไปหาหมอก็ทุกโรคใจไข้เจ็บเดินไปทํากิจกายงานก็ทุกว่าสมบัติมันไม่พอต้องสั่งสมสบัติที่ไม่พอก็ใช้ใจ่ายกลมความว่าคนทุกคนที่นั่งอยู่ก็ดีเดินไปทํางานทํากายก็ดีทำอะไรอยู่ก็ตามทุกเริยบหมดเขาเต็มด้วยความทุกข์ ไม่มีใครมีความสุขจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนชาวบ้านเนี่ยไม่น่าจะสนใจมากนะให้สนใจทุกเราเองให้มากที่สุดเพ <c oughs> ราะทุกคนอื่นเราไม่เห็นจริงเขาป่วยไข้ไม่สบายมีทุกขเวทนานักเราได้ทราบข่าวเพนิดเพนิดข่าวปวดหรือร้อนหรือหนาวหรืออนนะไรก็เข้าใจไปหรือเฉยๆถ้าเราโดนเขาเองลเลยรู้จักทุกขเวทนา ฉันอมองเห็นทุกคนเราให้หนักที่สุดให้เห็นทุกข์เป็นประจาถ้าถามไม่เห็นทุกจะ อ, อย่าดีเย่าโยมว่าดีจะไม่ดีจะไม่สราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าเรีว่าดีเคยฟัง พ, พุทธเจ้าทิ้งพูดไหมยิม้มไม่เชื่อไปถามพระพุทธติ คนที่เห็นทุกเป็นคนดีก็ถือว่ามีความฉลาดพอแต่คนที่ขาดความฉลาดจะมองขาดความฉลาดมองเห็นทุกไม่ได้เพราะอะไรเพราะการเกิดขอ้อนมันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขอยู่ในขันมันดาทุกหนักเราจําไม่ได้คลอดมาใหม่ใหม่มีทุกหนักเราช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเราก็จําไม่ได้ ตอนนั้นหิวกว่าจะรู้สึกตัวคนก็ไม่ช่วยต้อร้องมันหิวเต็มที่จึงร้องทุกขเวปนานชอบกำลังหนักก็รู้ ว, ว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วก็พบแต่ความทุกข์โตขึ้นมาแล้วสามารถช่วยตัวเองได้เราก็พบกับความทุกข์อีกหิวแล้วก็ต้องหายกินการหายกินก็เต็มไปความทุกข์มันทุกข์ยังไปกิงได้ขอ มีกินได้มาจะความเหนื่อยยากมันจะความทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างไม่มีความสุขมีความทุกข์กับหมด <c oughs> ทุกนอกจากจะหิวก็หายมีความต้องการให้ความแก่ก็เป็นปจัจจัยเบื้องหน้าของความทุกข์แกรเข้ามาถึงก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงก็ทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็ทุกข์ทลองก่อเวลาเกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดในโลกมนุษย์สัตว์อย่างอื่นประเสริฐไม่เท่ามนุษย์เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นคิดว่ามนุษย์มารยาทนะมองหน้าแนี่เป็นมนุษย์เป็นคนนะเพราะว่าสัตว์อย่างอื่นเสือที่ว่าดุร้ายตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยยินข่าเสือกัดไขเ่เ่ยนะแต่คนนี่กัดปลาวันไหลตัวเต่าเตาอ่ะ ไหมไม่ได้ทำการินก็ทําอ่ะใช่ไหมคือความว่าสัตว์มนุษย์เนี่ยฆ่าสัตว์ไม่จํากัดแต่เขาก็ยกย่างว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐรวมความจริวสัตว์มนุษย์ก็ดีสติสใจ ก, ก็ดีก็มีทุกเหมือนกันใช่ไหมมีความเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันมีความป่วยไข้ไม่สมบายเหมือนกัน มีการพักผราเกี่ยของรักของชอบใจเป็นกันมีความตายเหมือนกันก็รวมแล้วสัตว์ทุกประเภทในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ในเมื่อเราเห็นทุกข์คนใดเห็นทุกข์คนนั้นที่ว่าเห็นอริยสัจคนไหนเห็นอริยสัจจริงคนนั้นมีสิทธิ์เป็นพระอริยเจ้าคนที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีสิทธิ์ปฏิพานคนที่มีปฏิพานได้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นคน ไม่พิเตบายมีคนมาถา ม, มนี่เขาก็เคยถามว่าพระอรหันตะ์าาที่ปฏิพันธ์แล้วจะแบ่งมาเกิด <c oughs> ได้ไหมในแบ่งไหม <c oughs> มีคนมาถามนี่จริงนะนี่เป็นวามนี้่ที่วัดก็มีนีบ่อยๆแต่ความจริงเขาบอกไอ้ทราบว่าพระอรหันต์เนี่ยมาเกิดไม่ได้นะ แล้วก็ออกานข่าวยาดังสือ่อนั่นเองก็บอกว่าพระมุกคลาท่านจะแบ่งภาคมาเกิดเราสายบทจะแบ่งภาคมาเกิดใบฐานจริงๆนะก็ไปบอกนะก็เลยคิดว่าเอ็ดวิชาที่มันมาจากไหนเป็นความเห็นผิดชัดแต่เรก็ไม่โกรธเขานั่นเป็นความรู้เบื้องต้นใช่ไหมอาจจะคล้ำพาดได้กระโความว่าญาติโยมทุกคนยามเห็นอริยสัจให้มาก ทำวให้มากมันมาเด็กหมายว่าต้องเข็งกันทั้งวันวันหนึ่งตื่นขึ้นเช้ามาพยายามเห็นทุกเสือก่อนตอนเช้ามีความนักขันมากไลยยังไม่เหนื่อยพอตื่นทึ้ไมเช้าพักกินประจําวันไปไหนไปไหนไโรงไปช่วมใช่ไหมพระพุทธเจา้าบอกการหิวก็หายก็ดีโอุจาระปัสสาวะก็ดีก็เป็นทุกข์ อย่างนี้เป็นนิพพัทธทุกทุกเนื่งน้ทุกประจาวันเราต้องเห็นไว้ทุกอย่างนี้ต้องถ่ายจาระประสะัสสะก็ตามันมาจากไหนมันก็มาจากความเกิดเพราะเราเกิดเป็นคนและเกิดเป็นสัตว์ก็ต้องมีการถ่ายจาระประสะัสสะไม่ไปถ่ายมันก็ทุกเพื่อความว่าตอนเช้าขึ้นมาให้พบพบคาว่าทุกขว่ากายเกิดมันทุกอย่างนี้ ตอนสายก็มีความหิวก็หายความหิวความาหายก็เป็นเป็นทุกข์หลังจากนั้นรับทานอาหารแล้วก็ทำาำงานทําการถ้ราแสวงหาทรัพย์สินการประกอบกิจการงานแสวงหาทรัพย์สินก็แบรไกลนก็ความทุกข์ก็นั่งใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราต้องเกิดอะไรทำให้เราเกิดไม่โทษพ่อโทษแม่นนะไม่ถูก พ่ะแม่หลายคนพี่ยามจะมีลูกก็ไม่มีใช่ไหมที่ไปโทษท่านไม่ถูกสิ่งที่ทำให้เราเกิดก็มีสี่หนึ่งกิเลสสองตัณหาสามปาทานสี่อุปนกรรมถ้าในสี่อย่างนีน้ยังมีในเราเพียงใดการเวนไหวตายเกิดในวัฏฏะยังมีอยู่เพียงนั้น นี่ฆาการไม่ว่าแต่ เ, เติดไไตเกิดทวิตามีอยู่เราก็ไม่ทนทุกข์ดังนั้นเราพยายามหนีทุกวันน้อยต้องหนีทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บเริมตาขึ้นมานึกถึงงานที่เราจะต้องทำงานทุกอย่างที่จะทำต้องมีความเหมนืยยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับทานอาหารรับทานอาหารจะคิดว่าไม่ทุกข์มันทุกข์นะทุกข์หมทุกตรงไหนอ่ะ เขบอกหามันประกอบกาจรจีงกันหามันแล้วมันกระทุกทีตอนหิวเนี่ยกินใหม่ๆหมไม่ทุกขมันมัมมันมัมไม่ได้ฟังเสียงแล้วนะพออิ่มแล้วที่มืมอก็เหม็นปากก็เหม็นฮูซอนเชิญเหม็นชามเชอเหม็นทั้งหมดใช่ไหมไอตัวเหม็นนี่มันตัวทุกข์ใช่ไหมต้องลีบล้างมือล้างปากล้างฝุ่นล้างชามพู้สกปรกท้กเกินเพิ่งรู้เพอ่งรู้วาทุกข์ <c oughs> ไอ้ตอนหิวไม่รู้แหม่ลอทำไมเนี้ยทดลองความว่าทุกอย่างมันมีความทุกข์แล้วก็หาทางหนีความทุกข์คือตัดกิเลสตัณหาปาทันและอุปนกรรมกิเลสไดคสค้คือความเศร้าหมองของจิตคืออารมณ์เร็วจะถือว่ามันชั่วจักทุกอย่างก็ไม่ได้ต้องถือว่าอารมณ์เร็วบูชาความเร็วมากกว่าบูชาความดี อะไรที่มันไม่ดีในงานกิเลสประสอนบอกว่าอย่างนี้ใชอย่างคนเกิดมาแล้วต้องแก่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องมีเป็นข้อธรรมดาถ้า ต, ต่อไปก็ปการพักผ้าเจ้าของรักของชอบใจก็ต้องมีเป็นข้อธรรมดาใ น, นที่สุดก็ต้องตายแต่ว่าเจ้ากิเลสมําบอกว่าเองต้องไม่แกะนะ่นะใช่ไหมเราก็เชื่อกิเลสว่าเราจะไม่แก่ ในเมื่อความแก่เข้ามาถึงเราจริงๆความสะดวกในการประกอบกิจการงานไม่มีก็ปิตุกเห็นไหมนี่การเราเชื่อกิเลสมันมาพบปะทุกข์ไอ้ตัณหาตัณหาแปลว่าความพยายามอยากผู้ภาษาไทยง่ายก็คือความอยากอยากได้อย่างโ น, น้นอยากได้อย่างนี้ไอ้ตัวอยากนี่คือตัณหาเราศัพท์ว่าตัณหาเนี่ยไปยัยคิดว่ามันเรี้ยวเสมอไปนะ ต้องคิดว่าถ้าอยากชั่วจึงเป็นปัญหาถ้าอยากดีเป็นธรรมชันทะเอ hey, งถูกไหมอยากจะร่ำรวยถ้าอยากร่ำรวยเพราะสัมมาชีวะอันนี้เป็นธรรมชันทะไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากจะรวยเพราะการโกงเขาก็อมวยเขายื้อแย่งทรัพย์ของเขาอันนี้เป็นปัญหาเป็นกิเลสใช่ไหมกิเลสปัญหาใชไห ว่าการแย่งเขาขโมยเขาโกงเขาเป็นของดีความชั่วคิด่าเป็นความดีนี่เป็นเกเรถ้าหวังจะประกอบกิจการงานทุกอย่างเพื่อหามาได้จนทรัพย์สินเพื่อมีความสุขเพื่อการทํามาเราะทรัพย์สินที่มีอยู่แต่ว่าเป็นสัมมาจีวะหาเรื่องชี้ดุชอบทำอันนี้ไม่ใช่ปัญหามันเป็นส ม, มาจีวะเรื่องที่หาเร่งที้ดุชอบทำถ้าเขาเพียงได้เพียงการคิดก็เป็นสิว่าเป็นธรรมจันทามีความพอใจในธรรม เขาพอใจในธงสมหมายความาวุฒิเจ้าสรงสอนและถ้าไม่โกงเขาทำาด้ความสุจริตธรรมเป็นของดีด้วยตามคำสอนของเจา้าในหนึ่งอิพราเคยถามกันเขาเทศถามกันบอกอยากได้น่นอยากได้นี่ก็เป็นการมตันหาสิ่งใดที่ยังไม่มีขึ้นต้องการมีขึ้นเขาเรกการมตันหาเขาถามว่าคนที่ต้องอยากไปนิพพานเป็นตันหาหรือเปล่าเป็นหรล่า ตไมู่กไฮะเป็นฝ่ายกุศลแล้วว่าคนที่อยากปฏิพันธ์เป็นธรรมชันพะคือมีความพอใจในธรรมอย่างพวกที่ยากจนพุทธบริษัทนั่งอยู่ตรงนี้และอยู่ที่บ้านก็ตามต้องการอยากจะถวายไทานจะประสงค์อยากจะสุเคระคนที่มีความทุกข์มีความลาบากขาดสนยากจน อยากจะสงเคราะห์สัตว์ที่มีความพุกข์มีความหิวโหยหนอาหารนี่ความไมู่ไสะดกวกก็าตามทั้งหมดนี้ไม่ถือว่าเป็นตัญหาอยากเป็นธรรมันทะคือมีความพอใจในธรรมเป็นสังขาวัตุนะสังขาวัตุการสงเคราะห์สังกัดในกันถ้าการอยากให้อยากให้อาห า, อ, อาหารเอาซอนาหารแก่สัตว์ อยากให้ทรัพย์ถิ่นบางอย่างหรือหายการบริโภคแต่คนที่อยากจนเขินใจอยาถวายทานแด่พระอย่างนี้นะท่านถือว่าเป็นธรรมชันพระใจตัวอยากตัวนี้ตัวคิดตอยากมันคิดยังไม่ลงมือทําเป็นจารคานุสติกรรมฐานใช่ไหมเข้าใจมันไม่ยากเพื่อตัวอยากจะให้นี่ยังไม่ได้ให้ เอ็นเดินไปเดินมาสัตว์มันท้องอสุ น, นักตามข้าวถนนมันท้องจิ๋วมันหิวใช่ไหมอันนี้ถ้าเรามีสตางค์หรือซื้อขนมต้อง ม, มีข้าวหรือจะให้มีของจะให้แต่มันยังไม่ได้ให้ไอตัวอยากจะให้เห็นคนขคาทายก็อยากจะให้เห็นพระสงฆ์เดินมาก็อยากจะถวายมันเป็นเพียงแค่อยากเฉยๆเรายังไม่ได้ให้ตัวอยากตัวนี้เป็นจาคารุติกรรมฐ า, าน ค, คิดจะสงเคราะห์คิดจะให้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญตัวคิดจะสงเคราะห์คิดจะให้ใต่คิดไม่เสมอถ้ามันเป็นฌานอาการอย่างนี้จะเป็นฌานได้แต่เมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นทุกขณะขณะที่เหสัตว์มีทุกคนมีทุกพระมีทุกอย่างใดที่หนึ่งก็ตามฉันก็ทุกข์อยากจะสงเคราะห์ความอยากมันคือกึออทอ่ทาําทีทันใดโดยไม่ต้องหวังขับ อยากจะให้ยานี้ผิวเป็นชาญณาจารย์คำนิติกรฐานชาญแท่นะแต่างเยดแบบแท้ไม่ได้ฝึกไหมไม่ใช่ฝึกเป็นตัวแท้จริงๆถ้าจะาถามว่าได้าชาณาจารย์คำนิติกรรมานเกิดขึ้นจะมีผลอะไรดีบ้างก็ขอตอบว่าเพียงแค่อยากยังจะไม่ให้ยังไม่ได้ให้เห็นสัตว์หิวอยากให้เห็นคนหิวอยากให้ เห็นพระอยู่ก็อยากให้แม้แต่สัตว์กิงอย่างใดชนิดก็ตามความอยากอย่างนี้ส่งตัวเห็นแล้วเดินไปถึงบ้านยังค้นคิดถึงถ้าว่าเอิญคนประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วนรกเขาไม่ต้องกลายถ้ารังเกียจไม่ว่าคนแค่อยากยังไม่ทันลงมือให้อยากจริงๆอยากสุกขเขาแต่มันไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีของจะให้เพียงแค่นี้จิตเป็นมหากุศล อย่างนี้ตายแล้วเข้าเขตนระกบันไ ด, ก, นได ก, นก็าตงเกลียดเขาไล่ตีไม่น่าจะได้นะบ่ายกว้างนายให้เราดูบ้าเพราะอะไรเพราะจิตเป็นชาัานพายขนาดที่ยังป่วยไข้ไม่สมบายใกล้จะตายจิตยังคำนึงถึงความต้องการจะให้อยู่ท่านถือว่าเป็นชาญในจาคารนิติกรรมฐานถ้าเป็นอย่างนั้นตายเ ม, ม, มื่อไรไปพรหมนั้นเป็นพรหม ท, ทันีไม่เชื่เขเลยเขาหนักมากใช่ไหม ตอนนี้สำหรับจารคานุติกรรมฐาน น, นี่อานิสงส์ก็สูงมากมันหอนไงวะจารคานุติกรรมฐานถ้ามีเป็นปกติต่อไปถ้ากําลังสูงขึ้นจิตตนเมื่อนึกเจงจารค้าเกิดขึ้นในเมื่ อ, อารมณ์ทรงตัวเวลานั้นนิวรณก็ไม่กวนใจถ้านิวรณ์กวนใจมันก็คิดไม่ได้ ขณะใดที่จาระคาใจาขามนึกจำทายเกิดขึ้นประจันใจนิวรณ์เมกนใจเวลานั้นจิตก็มีปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะสมาธิตัวนี้ถ้าปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเบื้องต้นเกิดขึ้นก็สามารถไปสวรรค์ได้ปัญญาอย่างกลางเกิดขึ้นก็สามารถเาสด็จมาโลกได้แต่สมาจะไม่พูดสองอย่างนี้ถ้าปัญญาตัวสุดท้ายเกิดขึ้น นั่นคือมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเรานี่ก็มีทุกข์สัตว์ทั้งโลกก็มีทุกข์การเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าถาว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้เราเกิดจิตใช่กับทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการการเกิดแบบนี้ต่อติเพื่อนี่ว่าการมีร่างกายเพื่อความเกิดจะไม่มีสําหรับเราต่อไปเราต้องการอย่างนี้ไปเกิดคิดจะมาเองวันนี้วันละสองสามนาทีแล้วนาทีสั้ทีก็าตาม เพียงแค่อย่างนี้สืยกมาใหม่ๆไม่คิดตามนี้ก็ตามทุกเวลากลางวันทำํำกิจการงานคุณกับเพื่อนบ้างทํางานบ้างพังว่างจิตงานคุยง่วงว่างจิตงานมันเหนื่อยจิต ค, คิดว่าไอ้นี่มันทุกข์เอาว่าอยากเกิดว่าเพื่อทุกอย่างนี้อีกครือก่อนจะน้อยคิดสักหน่อยก็ตามเวลาไม่จํากัดเก็เป็นเวลาปกติถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันเวลาที่ทุกคนจะตายป่วยหนักครั้งสุดท้าย อารมณ์นี้จะส่งตัวจะเข้ามาสิงใจตันตีอกุศลก็ครอบงามจิตไม่ได้เพราะนี้เป็นมหากุศลใหญ่มากเป็นวิปัสนาญาณขั้นสูงสุดในแ ม, ม่มหาอกุศลใหญ่ก็ครอบงามจิตอกุศลเข้าไม่ได้ไอ้ตัวบาปไม่เมือยกายเข้ามาแทรกใจเดี๋วแต่บุญจิตจะส่งตัวส่งตัวแบบไหนส่งตัวก็มีความรู้สึกร่างกายนีม่มันจะผ่า รู้วร่างกายจะพังใจก็เฉยเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเวลาพร้อมกันนั้นก็จิตใจก็ไม่หวงทรัพย์สินไม่ห่วงคนเบื้องหลังถือว่าตัวเราเองก็จะตายความตายเป็นของธรรมดาผูกคนก็สามารถส่งที่ดินยืมที่อาเป็นทรงยืวิจตได้ตามความสามารถของเขาจิตกับประสบเรมคงก็จะเป็นสังขารุเยย่เปลี่ยนยาน สังขารเปิดขายายคือการวางเฉยในร่างกายชืว่าตายเป็นความรรดาขอมันอยากจะตายก็เฉยตายถ้าตายคราวนี้เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าถ้าลงไปอย่างนี้นะอย่างนี้วันไหนจะตายวันนั้นเป็นพระรานสำหรับฆราวาสเนะในเมื่อพรนนะราหันต้องนิพพานในวันนั้นตามบาลนะีท่านบอกว่าฆราวาสแจะเป็นพระราหารัน เพราะว่าถ้าเป็นพระอรหันต์จะมีชืวิ อ, อยู่ได้ไม่เกินพระอาิตยตกลินในวันองค์นี้แต่ว่าเนื้อแท้จริงเนี่ยปรากฏในสมัยพุทธเจา้าเพราะว่าที่พระอรหันต์นี้ผ่านมา n a ทุกคนรกรเรื่องความปรการเจริญกรรมฐานขั้บันดาลเป็นพุทธบริษัทให้ถืออารมณ์ธรรมดาเป็นสําคั ญ, ญยามปกตินะอย่าถือว่าเวลางัดที่เรานั่งเข้าสมาธิเป็นเวลาสําคัญ เวลานั้นก็สําคัญที่ว่าเวลานั้นเป็นการฝึกเพื่อการทรงตัวว่าจิตที่เป็นอุศนอารมณ์ที่เป็นอุศนี้ต้องการให้มีความรู้สึกประจําตอนกลางวันและยามปกติทํางานอยู่ก็ตามเรื่อกงการและก็ตามเวลาไดนก็ตามมันว่านิจจิตก็คิดขึ้นมาเองไม่ต้องบังคับว่าความทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาเพราะเราเกิดเราเกิดเพราะอะไรเพราะบีเลสคือความเศร้าหมองอารมณ์ชั่วของจิต ปัญหาคความทะเยอทิยานอยากได้ตามกำลางที่กิเลสสังอุปาทานมีความยึดมัน่นถูกมั่นในสิ่งที่กิเลสสัง่งสอนเป็นของดียึดมัน่นไม่ปล่อยอกนุสสนกรรมทําด้วยความไม่เฉลิฐตามกิเลสสั่งต้นความอาการเนื้อสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยเราเกิดเวลานี้เราจะตัดจิเลตนรราอุปาทานและอานุสสนกรรมเราจะตัดแบบไหนก็ตัดแบบง่ายๆขึ้นหนึ่ง ไม่ลืมความตายของชีวิตรายการที่สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการที่สมมีศีลกรรมบดศิษให้ครบถ้วนเป็นการส่งความอาคามสงบโอจิตและก็รายการที่สตาิเดชตัวสุดท้ายตัดชั้นทะคือความพอใจในการเกิดเกิดมนุษย์เป็นเทวดาที่ผม ตัดราคะเห็นว่าความเกิดในเมืองมนุษย์มันสวยสดงามเพียวด้กับทรงสวยสดงามอย่างนี้เรามารยกันต้องการจดเดยี่ยมนิพพานถ้าคิดอย่างนี้เพียงวาระาเพื่อแช่แช่สองนาทีนะวันวาระสงวาระตันี้คิดให้เป็นประจำถ้าเป็นประจำได้ก็จะดีเย่างวเวลาจํากัดเวลาที่บังคับยังตั้งใจว่าถ้าตื่นเช้าเราจะคิดอย่างนี้ ก่อนหลับปราจะคิดอย่างนี้แล้วต่อมาใหม่ๆมันก็เผลอบ้างอะไรบ้างระยะหลังๆต่อไปพอตื่นพับอารมณ์คิดทันทีแล้วพอใกล้จะหลับหัวถึงหมอนก็คิดทันทียานี้เถือเป็นฌานอารมณ์เป็นฌานแล้วเป็นเกณฑ์ในในการในวิปัฒนาอย่างขั้นสูงสูงสุดคือการไม่ติดนสโลกหรือโลกของโลกเนี่ยถือว่าตัทธวิชา อารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงตัวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคาว่าทรงตัวไม่ใช่หมายถึงทั้งวันนะเจ็เสือละฆราวาสมาทั้งวันไม่ได้ครับก็ไปได้เหมือนกันเอายามว่างที่โอกาสมีขึ้นจิตมนุษยอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชาเหียงชาตินี้วังนี้ผ่า น, นแน่นแน่ืนอเวลาก็จะหมดคุณไปมาบรรพุทุเรีย่ยบ้างก็เหลือเวลาสามนาทีสร็จสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่มาใหม่ การจเจริญกรรมาฐานถ้าบาังเอิญท่านที่มาใหม่มาที่นี่ใหม่แต่ถ้าบังเอิญเก่ามาจากที่อื่นเวลาภาวนาก็ดีที่เจริญก็ตามให้รักษาอารมณ์เดิมที่ฝึกมาแล้วอย่าเปลี่ยนว่าถ้าเปลี่ยนบางทีท่านทนาําเป็นชานมาแล้วถ้าเปลี่ยนใหม่ปั๊บเป็นต้องขึ้นต้นใหม่การจเจริญสมาธิพัฒน า, ายาต้องมีคุภาพเสมอกันให้ส่งสมัยกัน ตาบาวยากอย่างบริษัทที่ใหม่จริงๆไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยให้ปฏิบัติตามนี้ก่อนภาวนาคิดว่ากายเกิดมันเป็นทุกขารีทุกขากายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่ส บ, บายเป็นทุกข์ความพัดพลาดใจของรักคอนชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดมาเพื่อทุกอย่างนี้อีกเราก็ไม่ขอเกิดถ้าร่างกายตายปไปเพราะปณิพาน์จุดเดียว หลังจากนั้นก็รู้ลมหายใจเขาออกหาใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่เวลาหายใจเข้านึ ก, กว่าพูด ใ, ใจออกนึนกว่าถเอาแค่นี้นะยิ่งกว่าจะหมดเวลา20นาทีก็าญาติโยมที่เก่าแล้วก็ว่าตามปัิญาใสนะแต่ว่าระวังยาต้องิอาทีายเนเรื่อหวยคนนะั้นแถวเนี่ยเป็นตับเนี่ยยิ่งนึกวาไม่รู้ยิ่นึกอะไรบ้าง